เริ่มตกใจแล้วแล้วมันก็พยายามดึงนะพยายามดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ออกจนกระทั่งคนมาเห็นเนะจ้าของสวนมาเห็นเงี้ยมันก็หนีไม่ได้แล้วเพราะว่ามันปีนต้นไม้ไม่ถนัดพา่ามือข้างนึงมันติดลําไม้ไผ่กระบอกไม้ไผ่อยู่สุดท้ายมันก็ถูกจับได้นะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ใช้กันในหลายแห่งนะ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 ส่วนใหญ่เขาก็จับลิงพวกนี้ไปเอาไปขายเพราะเป็นลิงที่ปแปลกๆลิงหายยากนะไอ้ลิงคาปูชินเนี่ยที่เราเมื่อวานเนี้รุ่นพ่อรุ่นแม่มก็คงจะมาจากการจับประเภทนี้นะตอนหลังก็มาเลี้ยงเลี้ยงไว้จนกระทั่งออกลูกออกหลานก็มาใช้ในการทดลองลิงเหล่านี้ที่พูดมาเนี่ยนะถ้ามันไม่กําไม่ยึดนะ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 เป็นเดือนนะถจนั้างร่างกายนี้ยำแย่พ่อแม่บอกว่ากินเถิดพักผ่อนเถิดก็ไม่ยอมเพราะว่านึกเสียดายเงินก้อนนั้นก็กลายเป็นว่าไม่ใช่แค่เสียเงินอย่างเดียวไม่ใช่แค่เสียใจยอย่างเดียวเสียสุขภาพด้วยแลอย่างนี้เนี่ยจะเรียกว่ารักตัวเองหรือเปล่าที่จริงรักเงินมากกว่านะไม่ได้รักตัวเองอเสียดายเงินมากกว่าที่จะ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 เพราะว่าเครียดหงุดหงิดนะกลุ่มอากลุ่มใจมันก็อารมณ์เสียพออารมณ์เสียแล้วเนี่ยใครอยู่ใกล้ก็เจอลูกหลงหรือบางทีก็พูดเพื่อนพูดไม่ถูกไม่ถูกหูก็โกรธด่าว่าเพื่อนเสียหายนี่มาเสียเพื่อนหรือบางทีก็ระบายใส่พ่อแม่นคนรักคู่ครองเสียสมบันธภาพ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 มันน่ากลัวหรือว่ามันจะเลวร้ายไปตัวสุขภาพนะหมอให้มารับผลอีกสามวันในตลอดสามวันเนี่ยก็นึกจินตนาการไปแล้วว่าอาจจะเป็นมะเร็งนะเป็นโรคร้ายนะแล้วก็สามวันนี้ก็เหมือนกับตกนรกเลยแต่พอไปฟังผล หมอพ่อไม่เป็นอะไรโอ้โลค อ, อกเลยเราก็มานึกได้ว่าโอ้เรานี่งโง่จังนะให้สามัญที่พามาเนี่ยปล่อยให้ตัวเองตกนรกเพราะว่าความคิดปรุงแต่งแท้ๆปรุงแต่งเกี่ยวกับนาคตแล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นกับมันนะไอการที่คนเราจะปรุงแต่งนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะแต่ถ้าไม่ยึดนะรู้จักปล่อยรู้จักวาง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 เขาดาว่าเราในเมืองก็วางเอาไว้ตรงนั้นไม่ต้องเอากลับมาเข้าวัดนะที่ประเด็นสําคัญที่คือก็คื อ, ค อ, คอที่พระนันทยพูดนะว่าให้วางทั้งข้างหน้าข้างหลังและท่ามกลางก็คือปล่อยวางอาดีตอนาคตและปัจจุบันปัจจุบันในที่นี้เนี่ยก็ จ, จะหมายถึงเช่นตอนนี้เราปวดนะเรากําลังเจ็บเราปวดอยู่นะเพราะเรานั่งนานความปวดความเมื่อยเนี่ยเราเรียกเวทนามันก็เป็นปัจจุบันนะ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 แทนที่จะมาสนใจฟังคำบรรยายนครธรมานะก็เปล่าเนะมื่อใจยึตติกับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันนะอารมณ์ในที่นี้หมายถึงว่ารูปรสกลิ่นเสียงนะหรือว่าสิ่งที่นึกคิดในใจนะเราเรียกว่าอารมณ์นะเป็นภาษาธรรมะเมื่อใาก็ตามที่ไปจดจอ่อยุดติกับอารมณ์ปัจจุบันนะแล้วก็ไม่ปล่อยไม่วางก็จะทุกข์เลยเรายิ่งทุกข์เนี่ยก็ยิ่งยึดนะ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 เพื่อนก็คอยเลื้อยขาเก้าอี้พอตัวเองเนี่ยซื่อสัตย์สุจริตไม่กินตามน้ำโวยสารพัดปัญหาก็พลั่งพรวกมาหลวงพ่อชาตท่านก็ฟังฟังอย่างเดียวเลยจนกระทั่งเขาพูดจบก็นานทีเดียวนะแต่แล้วหลวงพ่อก็ไม่ได้แนะนำอะไรแต่ชี้ไปที่ก้อนหินที่วางอยู่ข้างหน้าถามว่าหินก้อนนั้นเนี่ย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 เกิดความสบายเมื่อความวิตกกัวตามมานะก็เกิดความปโปร่งโล่งเบาสบายสติมันช่วยทำให้ปล่อยวางนะเสียงมันจะมานะอย่างไรใจก็ไม่ไปยึดนะอย่างที่เล่าเนี่ยเสียงเกี้ยมันจะดังเข้ามาในห้องแต่ว่าหูไม่ไปลองเกียนะมันก็ไม่ทุกข์ไม่แปลหูรองเกีย้ยก็คือไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับเสียงนั้น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 าการเจริญสตินถึงจุดหนึ่งนะจุดหมายสูงสือคือทําให้เกิดปัญญานะไม่ใช่แค่รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ให้ไม่ใช่แค่รู้ทันความคิดที่เกิดขึ้นเท่านั้นแต่สามารถจะเห็นทะลุทะลงไปถึงขั้นว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นเราเป็นของเราเลยถึงตอนนั้นแหละนะมันก็ปล่อยวางหมดแล้วก็เกิดความสบายขึ้นมานความทุกข์ใจเนี่ยมันหมดไปเพราะว่าเกิด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 ก็เกิดความเบาสบายเป็นอิสระไม่ว่าอะไรเกิดพึ่นก็ทำให้เป็นทุกข์ไม่ได้เอาละชาติเนียเพื่อนเท่านี้นะอังกัรับ